เรื่องมารแปลงเป็นช้างแกล้งบีบคั้นพระพุทธองค์พระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบมารชื่อวสวตีมารความพิสดารว่าวันหนึ่งเวลาวิกาลราหุลสัมมะเนเนไม่มีที่นอนเนื่องจากถูกพระเทระไล่เพราะตามพระวินัยนั้น สมณเณรจะนอนร่วมกับภิกษุเกินสองสามราตรีไม่ได้จึงลุกไป น, นอนที่พระคันทกุดีคราวนั้นสมณเณรพึ่งบวชยังไม่ได้พรรษามารชื่อวสวรตีผู้อยู่ในพบเทวโลกชั้นหเห็นสมณเณรผู้เป็นหน่อเนื้อพระศัสดานอนอยู่ข้างนอกส่วนพระศัสดานอนบรรทมอยู่ภายในพระคันทกุดีจึงคิดแกล้งบีบคั้นพระพุทธองค์ นิรมิตเป็นพระยาช้างใหญ่เอางวงรัดกระหม่อมร้องเสียงดังพระศัสดาทรงทราบจึงตรัสว่ามารผู้เช่นท่านแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถทําให้สามเณรราหุนบุตรของเรากลัวได้เพราะบุตรของเรามีปกติไม่สะดุง้งมีตัณหาไปปราดมีความเพียรใหญ่มีปัญญามากแล้วทรงตรัสพระคถาว่า ผู้ใดถึงความสำเร็จมีปกติไม่สะดุง้งมีตัณหาไปปราดแล้วไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจได้ตัดลูกศรให้ไปสู่ภพทั้งหลายเสียแล้วกายของผู้นั้นชื่อว่ามีที่สิ้นสุดกายในที่นี้คืออันกระดูกก่อขึ้นพร้อมด้วยธาตุสีผู้ใดมีตัณหาไปปราดแล้วไม่มีความถือมั่น ฉลาดในบทแห่งนิรุกติรู้ที่ประชุมแห่งอักษรทั้งหลายแล้วรู้เบื้องต้นเบื้องปลายผู้นั้นแหลมีสรีระมีที่สุดเราเรียกผู้นั้นว่ามหาบุรุษมีปัญญามากอธิบายคำว่าถึงความสำเร็จความว่าได้แก่พระอรหัตและความบรรลุอรหัด ไม่สะดุง้งเพราะเหตุแห่งความไปปราดไม่มีกิเลสคือราคะได้ตัดลูกศรคือตัณหาคือความอยากเป็นทุกข์อันมีปกติให้เกิดอุปาทานและพบชาติชรามรณนะกายของผู้นั้นคือกายที่สั่งสมขึ้นด้วยกรรมฝ่ายกุศลย่อมมีที่สิ้นสุด คือการเข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องเวียนตายเกิดอีกต่อไปผู้ไม่มีความถือมัน่นคืออนุปทานโนยอมปริณิพายติยอมน้อมนิพพานไม่มีการยึดขันว่าเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานไม่อยู่ในอำนาจบังคับบงการของใคร มีปัญญามากเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันกำหนดเอาซึ่งปฏิสัมพิทาสีอันได้แก่อัตตะธรรมะนิรุกติคือภาษาปฏิพานและศิลขันอันใหญ่จึงตรัสเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเพราะความเป็นผู้มีจิตพ้นแล้วในการจบเทสนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละฝ่ายมารผู้มีบาปคิดว่าพระสมณโคโดมยอมรู้จักเราแล้วอันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นเอง